เลยอีกประมาณสี่วันเนะสามวันครึ่งสี่วันถ้าพวกเราอยู่ครบอยู่ครบไหมบางคนอาจจ ะ, ะมีทุระอยู่แล้วเนาะกะ็ไม่เป็นไรแต่บางคนไม่ได้มีทุระนะ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอยู่ไหวไมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยแต่นั้นก็ไม่เป็นไรนะคือใจมันใจมันก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกกังวล น, นะหรือรู้สึกเหนื่อยอะไรก็ไม่ผิดนะอ่า ใจมันจะรู้สึกอย่างไรมันจะคิดอย่างไรนะเราไม่เราไม่จะเป็นว่าเราจะต้องคิดแต่ดีๆนะเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องคิดว่าตัวเองไหวแน่นอนเนะี่ยก็แต่บางคนคิดแบบรู้สึกอย่างนั้นหรือคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคือที่จริงเวลามันมีความรู้สึกหรือมีความนึกคิดต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องถูกผิด ในในทางปฏิบัตินะเอเป็นเรื่องที่เราก็แค่รู้อย่างที่มันเป็นนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆจริงๆก็คือว่าคือซื่อสัตย์กับตัวเองนั่นแหละอะซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกในขนาดนี้ซื่อสัตย์ในการที่เออมันคิดแบบนี้นะก็รู้อย่างที่มันเป็นนะไม่จําเป็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นการ ดัดเจดิศอันนี้ไม่ว่าใครนะปมะเด็นว่าเป็นการประเภทว่าต้องพยายามดัดให้มันให้มันดีตลอดหรือบางทีในใจเป็นแบบหนึ่งนะแต่คำพูดเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นเวลาบางทีเราบางทีในใจไม่พอใจนะแต่ปากก็พูดไม่เป็นไรนี่คือก็ ปากกับใจไม่ตรงกันนะความรู้สึกข้างในนะกับกับบางทีเราก็ไม่ไม่ยอมรับตรงนั้นนะบางทีเน่ะเราก็การปฏิบัติธรรมไม่ใช่แปลว่าเราจะปฏิบัติเพื่อเป็นคนดีมันบางทีทางโลกนะ่ะเราก็สอนลูกให้เป็นคนดีสอนคนให้เป็นคนดีนะแต่พระทําไมสอนไม่ให้เป็นคนดี ไม่ใช่แปลว่าไม่ให้เป็นคนดีนะแต่เพียงว่าไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เพื่อการปฏิบัติเพื่อเพื่อเป็นคนดีนะแต่ที่จริงถ้าสูงสุดกน็นะคือให้เลิกเป็นคนนั่นแหละอให้เลิกให้เลิกการมีภพชาตินะการยึดติดนะในความเป็นคนนะ ให้มันอยู่เหนือกว่าความเป็นคนสูงขึ้นไปอีกนะอืมในความเป็นพระเองก็สมมตินะแต่ถ้ามันเป็นพระแบบจิตใจเป็นอันนั้นก็โอเคนะอืมคือคือบางคนพอคิดว่าเราเจะปฏิบัติเพื่อเป็นคนดีนะหรือเราปฏิบัติเพื่ออยากจะดีอ่ะ ม, มันก็กลายเป็นบางทีเราก็เป็นความคาดหวังกับตัวเองนะ หรือบางทีเราก็จะผิดหวังกับตัวเองเมื่อมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะบางทีคิดคิดไม่ดีเกิดขึ้นมานะหรือรู้สึกว่าทำไมใจิตใจมันเข้มมันอ่อนแอแบบนี้มันกังวลแบบนีนะ้บางทีก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่ ท, ที่รู้สึกอย่างนั้นแต่ีนจริงถ้าเราปฏิบัติจริงๆนะรู้อย่างที่มันเป็นนะ มันท้อก็รู้ว่ามันท้อมันเหนื่อยก็รู้ว่ามันเหนื่อยนะมันโกรธก็รู้ว่ามันโกรธนะมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันเศร้าก็รู้ว่ามันเศร้ารู้อย่างที่มันเป็นนะอืมไม่ต้องไปดัดจิตให้มันเป็นอย่างที่ต้องการหรืออย่างที่คนอื่นคาดหวังนะหรือเราเองคาดหวังตัวเองนะอืม นะรู้พอเรารู้รู้เฉยๆนะนะไม่ใช่แปลว่าเข้าไปอยู่ในความเป็นสิ่งนั้นนะครับมรู้มันเป็นคือจิตมันเป็นของมันเองนะอ่าโดยน่ะออจิตมันมันไม่ได้อยากจะทุกข์ไม่ไ้อยากจะเศร้าไม่ได้อยากจะโกรธอะไรนะแต่จิตมันเป็นของมันเองนะเราก็ดู มันเป็นเองเนาะอแต่หน้าที่เราก็คือก็มีสติอยู่กับเขาเหมือนกับเรือที่ลอยอยู่บนน้ํานำะสติให้มันอยู่เหนือนะเหนืออารมณ์เหนือความคิดนะไม่ใช่แปลว่าต้องพยายามทําให้ความคิดหรืออารมณ์นั้นต้องหายนะต้องไม่เกิดอีกนะเขาจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้ว่ากันนะเขาจะไปก็ไป อ่าก็ไม่ว่ากันนะมีสติอยู่เหนืออารมณ์รู้ทันรู้ทันอารมณ์อยู่เหนืออารมณ์นะอยู่เหนือความคิดเนี่ยเนี่ยเวลาปฏิบัติเรามันมันเหนือนะสภาวะสติเนี่ยมันอยู่เหนือนะมันการเป็นการพ้นนะอันมาถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันคือ เรื่องของการพ้นทุกนะไม่ใช่ไปว่าไม่มีทุกแต่ออกมานะอะไม่ใช่ไปว่าเราปฏิบัติเพื่อให้มันไม่มีความทุกขนะแต่เราปฏิบัติเพื่อพ้นจากความทุกเพราะความทุกอะ่ะมันเป็นเรื่องมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของกายแล้วก็ธรรมชาติของจิตใจอืมอย่างร่างกายเนะี้ยมันไม่สามารถที่จะ ทำให้มันไม่มีทุกข์แบบจริงจริงได้หรอกนะมันได้แค่บรรเทาไม่ได้แค่รักษานะนะยิ่งแก่ไปยิ่งนานวันไปก็ยิ่งความทุกข์ก็ยิ่งแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นนะเราไม่สามารถหนีความจริงก็คือร่างกายมันเป็นทุกข์ได้ก็มีแต่ว่าจะอยู่กับมันได้อย่างไรก็แค่นั้นเองหรือจิตใจเองนะเราอยู่กับโลกอะ มันก็มีสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นมากมายนะทั้งในครอบครัวในหน้าที่การงานในระดับประเทศนะเห็นไหประเทศเรานี่ยก็สงบแต่เกินในระดับโลกเน ไ, ไหมนะก็มันก็อันนี้พูดถึงมันก็หนีไม่ได้อยู่แล้วเนาะนี่แหละมันก็อยู่ มันจะให้มันไม่มีอะไรกระทบเลยนะจะไม่มีอะไรขัดใจเลยจะไม่ให้มีปัญหาเลยนะเป็นไปไม่ได้อืมนั้นพวกเนี้ยมันอาจจะมันอาจจะยั่วหรือกระตุ้นให้บางทีเราก็หลงเป็นทุกข์บ้างนะอืมแต่ที่จริงแล้วถ้าเรามีสติเราก็พ้นจากความทุกข์ได้นะพ้นบางทีญาติพี่น้องเราเสียไปนะ บางทีก็เศร้านะแม้นักปฏิบัติธรรมบางคนก็เศร้านะเศร้าแต่ถ้าเราไม่ฝืนนะเช่นฉันต้องมีร้องไห้ฉันต้องดูเข้มแข็งสมมตินะบางทีนะข้างนอกเข้มแข็งกลับกลับไปที่ห้องก็ร้องไห้นะเอาฝืนเกินไปนะแต่จริงเราฝึกที่จะอยู่เหนือพ้นเขาเนาะ เขาจะอยู่เขาจะมีนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็อยู่เหนือเขาได้แต่ถ้าเราฝึกนะดีมากขึ้นอ๋อมันสามารถมองเป็นธรรมชาติจริงๆนะปล่อยวางได้จริงๆนะไม่ทุกจริงๆอ่าก็มีเหมือนกันนะก็ก็เป็นไปได้นะแต่บางคนมันยังมีอยู่นะไม่ต้องไม่ต้องแบบโทษตัวเองที่มันมีนะ หรือไม่ต้องแบบกลัวว่าคนอื่นจะมองเราว่ามันไม่ดีนะอุตส่าห์ปฏิบททัติธรรมทําไมร้องไห้นะอุตส่าห์ปฏิบททัติธรรมทําไมยังโกรธอยู่นะเ <c oughs> น, นี่ยบางทีเราก็คาดหวังกับตัวเองจนเป็นทุกข์หรือคนอื่นอาจจะคาดหวังกับเรานะก็ห้ามไม่ได้หรอกนะอืมอย่างบางคนเนี่ยมาปฏิบัติตัวเนี้ยเดี๋ยวกลับไปอาจจะมีคนคอยจ้องดูว่า กลับไปจะเปลี่ยนหรือเปล่าเ<ม>อ่าดีขึ้นหรือเปล่าเนะี่ยเจ็ดแปดวันนะอืมแต่เราอย่าไปกังวนตรงนั้นโยมนะให้เราแค่กลับมาดูตัวเองว่าเจ็ดแปดวันเนี่ยเราทําเต็มที่แล้วเนะี่ยให้เราพอใจกับการได้ฝึกตัวเองอย่างเต็มที่นะแต่มันจะเปลี่ยนมากน้อยขนาดไหนเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ ที่เราไม่สามารถบังคับมันได้เนะแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้หรอกราจะไปเจออารมณ์ที่แรงหรือเบามันก็บางทีก็เหนือการควบคุมเราจะเราจะรู้ทันหรือไม่รู้ทันเนี่ยเราเราห้ามไม่ได้เราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้แต่ให้เราโฟกัสที่การกระทําของเราเองนะอืมเนี่ยวางใจดีๆนะอืมนี่ก็เหลือ สามวันครึ่งใจไปที่บ้านหรือยังใจไปน่ะห่วงเรื่องงานหรือยังนะนกลับมาก่อนนะนกลับมาก่อนนะมันไปได้ก็พาเขากลับมาได้นะนมันห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือ รู้ทันเขานะรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตเขาก็กลับมาของเขาเองนะอืมไม่ต้องแบบไปเครียดที่มันไปนะก็เลยคิดว่าถ้าสามวันสามวันครึ่งตอนนี้ถ้ามีมีใครอยากจะแบบปฏิบัติเหมือนเก็บอารมณ์ไหมแบบ เออบางทีอยากเก็บิบัติต่อนเนื่องอไม่ไม่ต้องทําวัดก็ได้ะไนะไไม่ต้องมาฟังอาตมาพูดก็ได้นะอยากอยู่คนเดียวหมายถึงว่าอยากปฏิบัติต่อคนเดียวก็ได้นะเปิดโอกาสนะอแต่อย่าไปนอนคนเดียวเลยนะอดี๋ย บ, บางทีนึกว่าเก็บอารมณ์นะแต่อยู่ในห้องเว็นอนไนะม่เอานะนะก็คือถ้าอยาก อยากจะลองฝึกตัวเองแบบนั้นนะหมายถึงว่าเออไม่ไม่เปลี่ยนอารมณ์มาอย่างอื่นเช่นนั้ที่จริงการมาทําวัดมาสวดมนต์นี่ก็มาฟังธรรมนี่ก็เปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนอารมณ์แต่จริงถ้าเราก็ฝึกสติกับการเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้นะแต่บางคนอาจจะลองดูเอาอย่างเดียวนะเอาปฏิบัติในรูปแบบนะตั้งแต่ตื่นจนดับเลยนะใครอยากจะลองแบบนี้ก็ มาเปิดโอกาสนะนะสามวัน4วันเนี่ยถ้าถ้าใครรู้สึกเออหรืออาจจะไม่ใช่ตลอดสามวันก็ได้นะบางช่วงบางช่วงช่วงไหนที่เรารู้สึกเออมันกำลังปฏิบัติ ด, ดีๆนะเออไม่อยากทานข้าวเที่ยงก็ไม่ทานก็ได้ <c oughs> ก็ลองดูนะแบบไม่ได้ทำด้วยความไม่อยากหรอกแต่ ถ้าผลของมันเกิดขึ้นมาเช่นตอนเย็นจะหิวก็ต้องยอมรับมันให้ได้ <c oughs> อ่าก็เราเลือกเองนะลองดูเ น, นี่ยเลยจะปฏิบัติอ่าคือไม่เป็นเวลาเหมือนกับเพื่อนเนาะอ่าเพื่อนเขาอาจจะพักไปอาบน้าตอนเย็นเราก็ปฏิบัติต่อนะอาจจะไปอาบนา้าทีเดียวก่อนนอนในแบบนี้ก็ก็ได้คือการเก็บอารมณ์มันก็ดีอย่างนะคือว่า บางทีเราลองดูว่าทําแบบต่อเนื่องนะทำแบบยาวๆนะบางทีมันสภาวะนะบางคนปฏิบัติต่อเนื่องมันเหมือนค่อยๆเข้าที่นะค่อยๆนวดค่อยๆนวดค่อยๆ น, นวดนะกระดังได้อารมณ์ปฏิบัติเอา้าต้องกลับมารวมแล้วนะต้องไปอาบน้ํ า, าแล้วบางทีมันก็คลายออก บางทีถ้าบางคนกรลังปฏิบัติดีๆ ก, ก็ลองทำแบบนั้นดูหลวงพ่อเทียนเองท่านก็ส่งเสริมเวลานักปฏิบัติบางคนที่พอปฏิบัติแล้วได้อารมณ์ท่านส่งเสริมให้เก็บอารมณ์นะอยู่กับห้องบ้างหรืออยูนะ่นอกห้องบ้างในห้องบ้างนะปฏิบั ต, ต, ติต่อเนื่องแต่บางคนยังไม่ทันได้อารมณ์นะไปถูกขังนั้นเนาะโอ้ แบบอยู่ยากน ะ, ะเหมือนหมาถูกขังอะ่ะมันไม่มีเครื่องอยู่นะก็อยู่ยากนะแต่หลวงพ่อคงเขียนเองท่านบอกท่านไม่เคยเก็บอารมณ์ไม่เคยเก็บอารมณ์เลยน ะ, ะท่านก็ปฏิบัติกับชีวิตประจำวันมาถึงว่าก็ทำกิจของสงฆนะ์ทำวัดบินท บ, บาตกวาดลานวัดนะ เวลาที่ไม่ต้องทํากิจของสงก็ก็ปฏิบัติในรูปแบบแต่เวลาทํากิจต่างๆก็พยายามทําด้วยความรู้สึกตัวนี่ยก็บางทีถ้าดูข้างนอกนะเหมือนไม่เหมือนกันนะแต่จริงตัวดักจริงๆข้างในเหมือนกันคือความรู้สึกตัวนีคือการที่มีสตินี่แหละนะบางทีก็อามาไม่ได้ ข้างนอกไม่ได้สำคัญมากแต่ก็คือเปิดโอกาสให้ให้ทุกท่านได้เลือกตามที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับเราเองเนาะใครจะเก็บอารมณ์สองสาวันนี้ก็เอาเลยนะไม่ทำวัดนะไม่มาฟังธรรมก็ได้ก็มาฉันสักหน่อยนะมาทานข้าวสักหน่อยตามเวลาที่เป็นประจำอยู่แล้วนยะก็โอเคนะ นะแต่ก็ต้องระวังบางทีเก็บอารมณ์เนะี่ยถ้าคนดูแลตัวเองไม่ได้ก็ก็เครียดเนาะอืมก็เครียดหรือบางทีฟุ้งสั้นมากก็ฟุ้งยาวนะฟุ้งยาวนะนะก็ลองแต่เราก็ลองทำให้มันเต็มที่ไม่ว่าเราจะเก็บอารมณ์หรือเราก็จะปฏิบัติกับเพื่อนนะกับตารางก็ได้เหมือนกันเนาะ ขอให้พยายามมีสติบ่อยๆไม่ห้ามความคิดนะไม่ห้ามอารมณ์ต่างๆนะมันเกิดขึ้นมาก็เออก็แค่รู้ทันมันเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันมันแล้วก็เนี่ยอย่าไปตั้งเป้ามากนะสามสี่วันเนี่ยคือบางทีเราก็ตั้งเป้าตัวเองว่าเราจะต้อง ได้อะไรเราจะต้องรู้อะไรเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างไรบ้างเหมนอนเนานะอืมส่วนคนอื่นอาจจะตั้งเป้าหรือคาดหวังกับเราเนี่ยก็เรื่องของเขาเนาะก็ <c oughs> ะ <c oughs> แต่เราเองอะ่ะให้แค่อืทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะเหมือนที่จริงมันปฏิบัติจริงจริงเหมือนเป็นการวางใจในในธรรมะ ภาษาพระ ม, มีคำหนึ่งนะคำว่าธรรมะจัดสรรธรรมะจัดสรรเนนะี่ยมันไม่ใช่จัดสรรข้างนอกเลยนะจัดสัรในใจของเราเองเนี่ยแหละคือมันเมื่อปฏิบัติธรรมไปเรื่อยธรรมะมันจัดสรรเมื่อมันเจอสภาวะเจออารมณ์ต่างๆเนะี่ยมันเหมือนมันจะทำหน้าที่ในการปรับตัวปรับใจให้ ให้มันอยู่อย่างไรอะที่มันทำให้เกิดทุกน้อยลงนะพ้นจากทุกได้นะ่ะมันจัดสรรที่ข้างเราเนะ่ไม่ใช่แบบอู้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาศึกษาธรรมะเดี๋ยวเขาจะจัดสรรให้เราไม่ต้องเจอปัญหาเราเจอแต่วความสุขนะคนที่เราเกลียดเขาเลกเกลียดเราอะไรไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไปจัดสรรข้างนอกนะถ้าธรรมะจัดสรรข้างนอกเนี่ยพวกพุทธเจ้าเนี่ย ทำไมท่านท้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหรอนะท่านเจอแต่ปัญหานะตลอดชีวิตในการบวชของท่านเนี่ยเจอปัญหาเยอะมากนะในการดูแลคณะสงฆ์ก็ดีหรือลัทธิอื่นนะมาเบียดเบียนก็ดีหรือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนรู้จักญาติพี่น้องนะที่ประสบภัยต่างๆก็ดีนะ มีปัญหาแต่ไม่ไม่เป็นปัญหาพระพุทธญาติท่านมีปัญหาที่ต้องแก้ไขต้องดูแลแต่ใจท่านไม่เป็นปัญหานะทาหน้าที่นะทำหน้าที่ไปนะบางปัญหาแก้ได้บางปัญหาแก้ไม่ได้นะก็ยอมรับไปเป็นเรื่องของกรรมนะกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเราจริงนะ กรรมของคนอื่นนะบางทีช่วยคนอื่นไม่ได้ก็กรรมของเขากรรมของเราจริงๆคือการวางใจของเราเนั่แหละให้มันไม่ทุกข์ฝึกให้มันพ้นจากความทุกข์นี่แหละก็ฝึกไปเรื่อยนะธร ร, ร, ร, รมะมันจัดสรรสามสวันเดี๋ยวเรากลับไปจะไปเปลี่ยนแปลงจะไปเจออารมณ์อะไรอย่าไปพึ่งไปวิตกกังวลกับมันมากฝึกให้เรา มีสติบ่อยๆนะฝึกให้มีสติบ่อยๆเมื่อสติมันเกิดขึ้นได้บ่อยในตอนที่เราฝึกเนะี่ยสติก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายตอนที่เราไปเจอกับชีวิตประจำวันนะเหมือนเหมือนเราเตรียมตัวสอบอะเราไม่รู้หรอกข้อสอบมันจะออกเรื่องอะไรนะจะยากมากขนาดไหนเราไม่รู้นะ แตการเตรียมตัวสอบของเราเนะี่ยพยายามอ่านพยาพยามทวนพยายามที่จะฝึกนะให้พร้อมเต็มที่นะเมื่อข้อสอบมันมาออกอ่ะนะมันเคยฝึกมาแล้วมันเคยเจอมาแล้วอ่นะมันตอบได้นะมันได้คะแนนนะเนี่ยคือการซ้อมเต็มที่นะถ้าเราซ้อมเต็มที่เราไปเจอข้อสอบอืมมันก็ยิ้มได้นะออืยิ้มได้อืม เห็นแล้วความไม่พอใจนะมันก็เหมือนกับไม่พอใจในตอนนี้แหละนะเห็นแล้วออืก็ยิ้มได้อืมน่าฟุ้งซ่านหนระืมวุ่นวายหรือปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่แปเว่าเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายนะมันฟุ้งอยู่คนเดียวก็มีนะมันวุ่นอยู่คนเดียวก็มีนะออกไปเจอสิ่งอื่นที่มันวุ่นวายนะบางทีมันจะเห็นเนาะเออ ข้างนอกมันวุ่นวายข้างนอกนะไม่เอาความวุ่นวายข้างนอกมาเข้าสู่ใจรู้สึกแค่ว่าข้างนอกมันวุ่นวายนะรู้สึกอยู่เสียงมันดังอคนก็ทําอะไรก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกได้ว่าข้างนอกมันวุ่นวายแต่ข้างในใจอ่ะรู้อยู่นะมันก็เออมันก็แปลกนะ ยังอาตอมาปีแรกไปอยู่ที่วัดป่ามหาวันนะภูหลงไปอยู่กับพระจามพาิสารตอนแรกก็ว่าจะอยู่กับหลวงพ่อแหละแต่ตอนนั้นหลวงพ่อทําวีซ่ามีคนนิมนต์จะไปให้ท่านไปอยู่ที่อเมริกาไปชำรมะาอเมริกาก็เหมือนไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อจะไปอยู่อเมริกาหรือเปล่าแต่พระจามพาิสารท่านอยู่ภูหลงก็ เลือกอันที่ชัวรกว่าก็ไปอยู่ภูหลงกับอาจารย์ไพศาลก่อนพรรษาแรกแต่สุดท้ายหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปวีซ่าไม่ผ่านเนะี่ยไม่ทันก็ไปอยู่ภูหลงเนะี่ยจงเงียบ ม, มากนะแต่เงียบขนาดไหนโยมมันมาอยู่บนเขานะอยู่กุฏิไกลไกลที่สุดในหมู่พระที่อยู่ด้วยกันแต่ช่วงวันแม่เนี่ย คุณครูที่โรงเรียนนะให้เด็กมาร้องเพลงวันแม่เนะี่ยทุกวันตอนกลางวันเนี่ยโอ้รำคาญคือแบบเราวัดกับโรงเรียนอยู่ไกลกันเกือบสี่กิโลนะแต่เสียงเพลงมันดังเข้ามานะตอนเที่ยงนะเราคิดว่าเราอยู่ป่านเนี่ยมันจะสงบนะไม่สงบนะวันแรกๆลำคาญมากมแต่พอวันหลังๆเออมันมันก็เริ่ม มันเริ่มเอกใจได้เองเอประเภทคือเขาก็ร้องของเขาเนาะแต่ใจเร า, เาไปําคารเขาเองนะคือเวลาถ้าจิตมันไม่มีสตินะ่ะอะไรก็ําคาญนะคือยุงบินใกล้ๆเนี่ยก็ําคารอยู่ป่าไม่ได้เงียบเดียวนะมาแดงก็มีเสียงดังนะเวลานิ่งๆเนี่ยมาแดงเสียงดังมากนะ เสียงเพลงไกลๆเนี่ยเราก็ไปดำคาญนะแต่บางทีบางเพลงเราก็ไม่ํำคาญนะบางเพลงเราก็เผลอไปเพลินกับเขานะเนี่ยใจนะใจมันก็เป็นแบบนี้นะแต่คือก็อยู่แบบนี้ส่วนให ญ, ญ่ก็อยู่ที่วัดนะไม่ค่อยได้ออกไปครับข้างนอกนะั่นน่นานได้ออกไปทำธุระในเมืองะนะพอออกไปไปเจอเมือง ก็เป็นที่ที่เราเป็นมาก็เป็นคนชียภูมิก็อยู่ที่ก็คือก็เรียนหนังสืออยู่ในที่ตัวจังหวัดชียภูมิเหมือนก็ก็คุ้นเคยกับถนนหนทางนะร้านค้าบ้านเรือนแถวนั้นพอเรากลับไปใหม่เอ้ามันมันรู้สึกถึงความแตกต่างแบบมันรู้สึกว่ารถมันก็วิ่งเสียงดังคนก็วุ่นวายเหมือนเดิมตลาดก็ก็เป็นแบบนั้นแหละนะ แต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนวุ่นวายข้างนอกอะ่ะเออมันใจเราก็เออมันก็เฉยๆนะมันเดินก็เดินบนฟุตบาทก็เดินเราก็ทำหน้าที่ในการเดินใจไม่เฉยๆใจมัน เ, นเออรู้ตัวอยู่แต่ข้านอกวุ่นวายนะ่ะมันเห็น ม, มันแปลกนะอันนี้เหีอเราก็แบบนี้เหละ อ, อันนี้ส่งของการปฏิบัติธรรมเนาะ ตอนอยู่วัดเน่ยไม่ค่อยได้เห็นผลมากบางทีนะก็แต่พอออกมาเจออารมณ์กระทบก็เออมันมันเห็นว่าเออมันมันแตกต่างจากเก่านะก็แบบก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะด้อต้องได้ผลแบบชัดเจนมากแต่บางครั้งเมื่อเจอสิ่งที่กระทบแล้วเราก็ได้เห็นว่าเออมันมันก็สามารถมันเกิดผลได้นะในหลายๆหลายด้าน หรือบางครั้งนั่งรถทัวร์นะไปทุวระนะเขาก็เปิดเพลงเปิดอะไรเนาะรถทัวรนะ์นั่งก็เปิดให้คนบันเทิงกันเราก็คงไปบอกให้เขาปิดไม่ได้นะท า, ทางทที่แต่เราก็เห็นไว่นนะเห็นใจนะ่ะเห็นใจมันชอบบ้างเห็นใจไม่ชอบบ้างเดี๋ยวเพลงไหนเราชอบเคยฟังตอนไม่บวชนะใจก็ไปร้องตามเพลงไหนมัน ไม่พอสําหรับเรานะไม่พอสาหรับเราก็นําคาญมันก็เห็นเออเห็นใจมันส่งออกไปนะส่งออกไปสนใจบ้างส่งส่งออกไปต้านเขาบ้างนะไปบ่นเขาบ้างไม่ได้ผิดธรรมชาตินะพระก็มีความรู้สึกโยมนะเราไม่ใช่แปลว่าเราจะฝึกให้มันไม่มีความรู้สึกบางครั้งมันเฉยเราก็รู้มันเฉย บางครั้งมันไม่เฉยชอบหรือไม่ชอบก็เราก็รู้เนะเราก็มันสติเหมือนย้อนกลับมาดูตัวเองนะไม่ใช่ไปเพ่งโทษข้างนอกบางทีเผลอไปเพ่งบ้างนะรู้ตัวมันก็แบบอ่ะกลับมากลับมาเนี่ยคือสติที่ในชีวิตจริงบางทีเราก็เจอเราก็จะเห็นแบบนี้แหละแต่ถ้าแบบเวลาปัจจุบันในรูปแบบส่วนใหญ่มันจะอารมณ์เก่าๆแหละมันจะผุดเข้ามานะ ผุดเข้ามาบ้างหรืออารมณ์ใหม่ๆที่อยากจะคิดจะทำอะไรนะมันก็ผุดเข้ามาบ้างนะให้เรารู้ทันเร็วๆนะนะรู้ทันบ่อยๆเพราะพวกนี้มันจะลากลากจิตให้ไปเสียเวลาคิดกับมันนานมากนะอาตมานี่แบบเป็นตอนบวนใหม่ๆนี่เจ้าโปรเจกต์มากเลยนะคิดอืมตอนคือ ตอนแรกเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะบวชนานอ่าอ่าตอนที่จะจะบวชก็คือบวชคิดว่าปฏิบัติธรรมเพื่อถ้าเราถึกไปเราก็ไปทำงานใช้ชีวิตปกติเราจะได้มีความทุกข์น้อยลงประมาณนะ่ะอืมตอนบวชปีแรกนี่ก็แบบตีโปรเจกต์นะคิดว่าถ้าสึกไปจะไปทำอะไรนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะบางทีเราก็เสียเวลาคิดนะ แล้ส่วนใหญก็คิดเรื่องดีๆแค่นั้นแหละนะคิดจะทาอันนั้นทาอันนี้นะแต่พอส่วนใหคือเดินจงกรมเนี่ยระวังนะเดินจงกลมเนี่ยคิดเก่งมากใคมาตอนแรกชอบเดินจงกรมนั่งยกมือมันไม่ค่อยถนัดตอนแรกก็เดินจงกรมเยอะแต่บางช่วงเดินแล้วได้อารมณ์มันก็คิดสั้นนะแต่บางช่วงเดินแล้วก็ฟุง้งซ่านมันถูกความคิดหอกนะ โครงการอะไรต่างๆเนี่ยมันหลอกเราอืแต่แต่ด้วยความเป็นพระมันก็ดีอย่างคือว่ามันมันมันชัดเจนนะว่าไอ้ที่คิดตัวเนี้ยมันคิดว่าที่เราจะทําน่ะคือมันเป็นโยมอันนี่เราเป็นพระอยู่นะไอ้ความคิดพวกเนี้ยมันแล้วเราก็ยังไม่ได้คิดจะสึกไอ้คิดพวกนั้นน่ะมันมันไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่านะเออ เราก็เห็นชัดเจนว่าไอความคิดพวกนั้นนะ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราศึกไปเราจะไปทําแต่ตอนนี้ตราเองก็ยังไม่ได้คิดจะศึกเนีว่านะเราก็ยังเป็นพระอยู่ยนะเออแล้วก็เออวางเออเอาไว้ก่อนเออถ้ามันถ้าถึงเวลามันจะศึกแล้วค่อยไปคิดมันใหม่ก็ได้วะอะไรเงนะี้ยะก็เออกลับมาก่อนกลับมาก่อนแต่คราวนี้ความคิดมันก็หลอกเห็นนะ เอา้าเป็นพระอยู่อ้าบางทีเราก็ต้องเทศนะ <c oughs> ความคิดมาเทศนะเตรียมตัวเทศตัวมีนะอืมเทศในใจตัวเองนั่นแหละไม่ไม่สอนคนอื่นนะเทศสอนตัวเองสอนตัวเองสอนตัวเองนะเอ่บางทีมันก็หลงนะหลงคิดเทศสอนตัวเองนะอะวิจัยธรรมะนะอธิบายธรรมะเรียบเรียงอย่างนั้นอย่างนี้นะเออมันก็เป็นความหลง มันก็เพลินอยู่แบบนึงนะคือเวลามันต่อเนื่องอะไรเนะี่ยมันก็เพลินแต่เพลินแบบหลงนะเพลินแบบหลงไม่ใช่เพลินแบบรู้ก่ <c oughs> อจะดูตัวอีกทีนี้ก็ <c oughs> เป็นหลายนาทีแล้ว <c oughs> หลายนาทีแล้วนะอืมนั้นพวกเนี้ยบางทีตัวตัวหลอกตัวรอดตัวหลงเนะี่ยมันทั้งเรื่องอดีตที่มันผุดขึ้นมา ทังเรื่องที่มันยังไม่เกิดแต่เราก็ไปคอเคลียไปคิดปรุงแต่งกับมันเนาะอืมฝึกรู้ทันมันบ่อยบ่อยนะฝึกไปบ่อยแล้วพอเราเห็นมันได้บ่อยมากขึ้นน่ะต่อไปสติมันจะจัดสัานเองนะมันก็เรื่องคิดที่จะต้องเตรียมอะไรแบบด้วยความกังวลหรือด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานเนี่ยมันลดลงไปได้เยอะเลยนะ อมามันเรื่องแต่มันก็กลายเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดมีแผนเท่าไหรเท่าไหรก็มีบ้างนะแต่แบบแต่เห็นนะว่าแต่ก่อนเป็นคนคิดแบบคิดบันเจิดนะออาพูด ง, งนะ่ายๆอ่ะก็แต่ตอนหลังมันก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะแบบเวลาจะประชุมอะไรบางทีก็หัวว่างๆนฮะไปประชุมกับเขาแบบประชุมงานหลวงพ่อบ้างมาชุมที่วัดบ้างมาชุมอะไรก็ ไปแบบหัวว่างๆไม่ได้มีแผนอะไรหรือเปล่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเด้อฟังไปแล้วเดี๋ยวค่อยไอเดียค่อยออกออานะมันไม่ได้ต้องวางแผนอะไรมันก็สบายอีกแบบหนึ่งนะเราไม่ต้องเอาแผนคิดไปเยอะๆไปวักไปเสนอไปอะไรนะก็ไปอยู่ในสถานการณ์แล้วค่อยค่อยว่ากันแต่งานบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะาเป็นต้อง ต้องทำเนาะก็ก็พยายามทำอย่างรู้ตัวแต่ภาบางคนมันไม่จำเป็นก็ก็ฝึกแบบนั้แหละ อ, อ, อยู่กับปัจจุบันไปนะใช้ใช้เรียกว่าเนี่ยใช้ใจที่ปัจจุบันเนี่ยในการคิดในการฟังในการพูดอะไรไปบางสถานการณ์หลอย่างเนี่ยบางทีความคิดเนี่ยมันดอกให้เราคิดเสียเวลาเฉย นอกจากบางความบางงานก็จำเป็นต้องใช้มันแต่ให้เรารู้นะตอนนี้ามวันนี้ฝึกที่จะวางความคิดนะในการเรียนของเราเนี่ยฝึกที่จะคิดมาเยอะแล้วแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันฝึกที่จะวางความคิดฝึกที่จะว่างจากความคิดบ้างการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเหมือนการวางความคิดว่างจากความคิด ให้มันได้ไปบ่อยๆนะจิตใจที่ว่างจริงๆเนะ่ะว่างจากการปรุงแต่งไม่ใช่สร้างความว่างแล้วเข้าไปอยู่ในความว่างนะแต่รู้ทันการปรุงแต่งรู้ทันความคิดรู้ทันความหลงนั่ะมันหายไปมันโดดไปเนะ่ะมันก็ว่างของมันละเนะีนะ่ยเหมือนเนะมาก็ว่างบางช่วงไม่มีเสียงให้พูด <c oughs> นะก็ว่างนะอ่านะ ว่างจากการปรุงแต่งในคำพูดโยมก็ว่างๆนะนี่ก็เนี่ยจิตมันก็อย่างนี้บางทีมันก็ว่างบางทีก็วุ่นนะอ่อบางทีก็ปรุงบางทีก็ไม่ปรุงนะเนี่ยคือสติก็ให้รู้ทันมันเนาะก็พยายามฝึกบ่อยๆเนาะสามสี่วันนี้ก็ทำให้เต็มที่นะแต่พระจำพปสารนะท่านให้คาถาสั้นๆในการปฏิบัติท่านบอกทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียส เนี่ยใช้ใช้ได้ทั้งในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ในชีวิตของเรานะนะทำเต็มที่แต่ไม่สีเรียดนะในขณะที่ทำนะก็ไม่สีเรียดนะผลมันเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ยอมรับกับมันให้ได้นะนก็ฝากไว้